พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความสำคัญเท่ากับใจเพราะว่าความสุขความทุกข์ของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์ของ สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ของร่างกายนี้ความสุขความทุกข์ของร่างกายเป็นของชั่วคราวแต่ความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นของที่ยาวนานและถาวรเราจึงไม่ควรที่จะ ให้ความสำคัญกับการหาความสุขทางร่างกายและบับะบำบัดความทุกข์ทางร่างกายมากไปกว่าการหาความสุขทางใจและการกำจัดความทุกข์ทางใจทร <c oughs> งตัดได้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราของชีวิตของพวกเราเพราะใจนี้ไม่มีวันตายร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดถ้าเราให้ความสำคัญกับร่างกาย มากกว่าการความสำคัญของใจเราก็จะต้องประสบกับความผิดหวงังเพราะร่างกายไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรมีแต่จะให้ความทุกข์กับเราอย่างต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้าย ของร่างกายดังนั้นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญก็คือใจของพวกเราเราควรที่จะดูแลรักษาใจของเราให้ดีเพราะใจที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจะนำความสุข ที่ถาวรมาให้จะกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรดังนั้นเราอย่าไปให้ความสำคัญกับการหาความสุขทางร่างกายอย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปดูแลรักษาร่างกาย ให้พออยู่ได้ไปก็พอแล้วเราไม่สามารถที่จะดูแลร่างกายให้ดีไปตลอดได้เพราะร่างกายจะต้องเข้าสู่จุดเสื่อมเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายไปในที่สุดไม่มีใครที่จะมา ยับยังความจริงของร่างกายนี้ไปได้แต่ใจของเรานี้ไม่มีจุดเสื่อมใจของเรานี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีวันตายแต่ใจของเราเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจึงผลิตแต่ความทุกข์ ให้กับพวกเราอยู่ตลอดเวลาด้วยความรู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็คือโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้วิธีที่จะดูแลรักษาใจให้ผลิตแต่ความสุขให้กับพวกเรานั่นเองเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้ที่รู้จักวิธีที่จะดูแลรักษาใจให้ผลิตแต่ความสุขให้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านได้ ดูแลรักษาใจจนสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจาบใจได้ให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวการเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย จึงเป็นการกระทำที่สมควรอย่างยิ่งการศึกษาแล้วก็นำเอามาปฏิบัติตามก็จะทำให้ได้ผลที่ดีก็คือได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจและให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยู่ภายในใจไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสาระสำคัญของชีวิตของพวกเราคือใจร่างกายนี้ไม่ใช่สาระสำคัญดูแลให้ดีขนาดไหนหาความสุขใช้ร่างกายหาความสุขได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสุขชั่วคราว ชีวิตของร่างกายในที่สุดก็ต้องมีวันจบสิ้นไปพอชีวิตของร่างกายหมดไปใจก็ไม่มีเครื่องมือที่จะหาความสุขต่อใจก็จะมีแต่ความทุกข์ใจก็ต้องเดินไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่ มาเป็นเครื่องมือหาความสุขต่อไปก็จะต้องเดินต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เคยทำอย่างนี้มาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานและจะทำอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ควรจะทำนั้นคือการดูแลรักษาใจหาความสุขด้วยใจ ไม่ใช่ดูแลรักษาร่างกายแล้วหาความสุขจากทางร่างกายมีพระพุทธเจ้าและพระอาหาร์ตสาบคเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้ความจริงรู้สาระความสำคัญของชีวิต คือรู้จากการดูแลรักษาใจจนใจนั้นปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดอนันตการที่เรียกว่าปรมังสุข s u ั h การที่พวกเราจะได้ พบกับความสุขอันนี้คือประมังสุขขังได้พบกับความดับทุกข์ที่ถาวรก็ต้องเกิดจากการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องเชื่อว่าวิถีชีวิตการดำเนินการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอาลหาันตาสาวกทั้งหลาย เป็นวิถีชีวิตที่จะนำพาให้ใจของเราได้พบกับความสุขที่ถาวรได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรเราต้องเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนาเพราะเป็นวิถี ทางที่จะนําพาให้พวกเราให้ใจของพวกเราได้ไปสู่ความสุขที่ถาวรได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรก็คือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าตราบใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีความทุกข์อยู่ ทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นและผู้ที่จะไม่เกิดก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติและได้สงสอนให้ปฏิบัตินั่นเองก็คือให้ทาทานให้รักษาศีลให้ภาวนาเพื่อจะได้เกิดความสงบและเกิดปัญญา ที่จะทำลายสิ่งต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจทำลายสิ่งที่สักดันใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันหยุดหย่อนนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะปลูกศรัทธา ปลูกฝังความเชื่อไว้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อพระอาจารตาสาวกเพราะว่าพระพุทธเจ้ากับพระอาจานตาสาวกท่านเปรียบเหมือนกับคนตาดีพวกเรานี่เปรียบเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดจะไปไหนมาไหน ถ้าไม่มีคนตาดีพาไปย่อมไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปาถนาจะไปได้นี่คือความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องฟังพระพุทธเจ้าฟังพระอาหารหันตสาวก แล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกสอนให้พวกเราปฏิบัติกันการทำทานนี้ก็เป็นการให้พวกเราดูแลรักษาใจให้หาความสุขให้กับใจแทนที่เราจะ เอาเงินเอาทองที่เรามีอยู่นี้ไปซื้อความสุขผ่านทางร่างกายเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆเราก็เอาเงินนี้มาทำทานเอามาซื้อของที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เช่นซื้ออาหารช่วออยยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มให้แก่ผู้ที่ยากร้ mm. การนำเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของแล้วก็เอามาช่วยเหลือผู้อื่นนี้จะทำให้เรา ถ้ามีปัญหาก็ไปลุกไปได้นะอย่ามานั่งขยับตรงนี้นะจะไปไหนก็ไปดูแล้วน้ำรำคาญถ้าจะนั่งก็นั่งเฉยๆให้ฟังไปนั่งที่อื่นดีกว่าไปถ้าใครนั่งเฉยๆไม่ได้ก็ไปนั่งที่อื่นอย่ามานั่งใกล้ๆมันเห็นแล้วมัน ทำให้เสียสมาธิพูดไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าพูดแล้วฟังอยู่หรือเปล่าการทำทานก็เพื่อเป็นการสกัดหรือทำลายความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจของเรามีความทุกข์ทำให้ใจของเราไม่มีความสุข การเอาเงินทองไปทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุขให้กับใจแต่เป็นการหาความทุกข์ให้กับใจเพราะถ้าทําแล้วจะได้ความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วพอความสุขที่ได้นั้นจางหายไปก็จะมีความอยากได้ความสุขใหม่ ก็ต้องไปใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขต่างๆอีกแล้วพอใช้เงินไปเรื่อยๆก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินมาเพิ่มเพื่อที่จะได้ใช้ต่อไปอีกการหาเงินก็ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเป็นการทุกเป็นการหาความทุกข์เพราะกว่าจะได้เงินมานี้ก็ต้องทุกข์ก่อน ต้องไปทํางานทําการพอได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วพอความสุขนั้นหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่เพราะอยากจะได้ความสุขใหม่อีกมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์และสร้างความสุขให้กับใจ กลับเป็นวิธีดับความสุขและสร้างความทุกข์ให้กับใจมากกว่าจึงจำเป็นต้องหยุดการใช้เงินทำตามความอยากเวลาอยากไปเที่ยวอยากจะไปดูหนังอยากจะไปดื่มไปรับประทานไปหาความสุขทางตาหูจมูกล่นกาย ก็ให้เอาเงินที่จะไปใช้ในการหาความสุขแบบนี้มาหาความสุขอีกแบบหนึง่งคือหาความสุขให้กับใจด้วยการเอาเงินทองนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือที่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเวลาเราได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น ใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ความอยากที่จะใช้เงินไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็จะอ่อนกำลังลงถ้าทุกครั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ไปวัดแทนหรือไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆสุดแท้แต่ที่เราจะชอบไปถ้าเราชอบทำบุญกับโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลชอบทาบุญกับโรงเรียนก็ไปโรงเรียนชอบทำบุญกับเด็กกำพร้าคนชราหรืออะไรก็ตามที่เป็นสาธารณประโยชน์ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากการกระทาของเราจากการเสียเงินเสียทองของเราถ้าเราทำอย่างนี้แทนที่จะไปใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขตามความอยากของเราต่อไปความอยากของเรามันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอ่อนกาลังลงไปเรื่อยๆ เวลาไม่มีความอยากแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะสบายนี่คือหลักการของการทําทานการทําทานนี้เพื่อเป็นการซื้อความสุขให้กับใจด้วยการเสียสละเงินทองให้แก่ผู้อื่นไปถ้าเราใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้จะเป็นการซื้อความทุกข์ให้กับใจมากกว่าซื้อความสุขเพราะความสุขนี้จะได้เพียงเดียวเดียวแล้วก็จะหมดไปแล้วก็จะได้ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปก็จะต้องใช้เงินมากขึ้นไปเรื่อย เช่นคนที่ซื้อความสุขด้วยการดื่มสุรายาเมาตอนต้นก็อาจจะซื้อเพียงแก้วเดียวหลังจากนั้นแล้วก็จะซื้อเพิ่มเป็นสองแก้วสามแก้วสี่แก้วเพราะความอยากดื่มจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องดื่มจนถึงดื่มไม่ได้คือเมาจนไม่รู้ไม่มีสติไม่รู้สึกตัวเท่านั้นถึงจะหยุดดื่ม นี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขความสุขผ่านทางร่างกายกับความสุขผ่านทางใจความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษแต่ความสุขผ่านทางใจนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ะจะทำให้ความอยากนี้น้อยลงไปและหมดไป ในระดับหนึ่งได้ต่อไปก็จะไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากจะไปดื่มไม่อยากจะไปรับประทานไม่อยากจะไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกริ้งกายอยากจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะอุทิศตนทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วก็จะได้รับความสุขทางใจ ความสุขที่เกิดจากการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่เองจะทําให้เกิดความสุขทางใจขึ้นมานี่ก็เป็นขั้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราปฏิบัติถ้าพวกเรายังติดอยู่กับการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆให้พวกเราทําลายความอยากที่จะซื้อความสุขผ่านทางร่างกาย ให้ได้แล้วเราจะได้ปฏิบัติทำขั้นที่สองได้คือการรักษาศีลเพราะว่าถ้าเรายัางไม่สามารถที่จะหยุดการหาเงินหาทองหยุดการใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็มักจะต้องทำบาปหรือทำผิดศีล เวลาที่เราต้องการหาเงินหาทองมาใช้เพราะว่าเราจะใช้เงินมากและเราก็อยากจะได้เงินมากและอยากจะได้เร็วๆได้ง่ายๆวิธีที่เร็วและง่ายก็มักจะเป็นวิธีที่จะต้องทำบาปคือต้องโกหกหลอกลวงต้องโกงอย่างนี้เป็นต้น ก็จะทำให้เรานี้ไม่สามารถรักษาศีลได้ก็ทำให้เราไม่สามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ดังนั้นเราต้องทำทานให้ได้ก่อนต้องหยุดการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆ เอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขผ่านทางร่างกายนี้มาทําทานมาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือวัดช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือโรงพยาบาลก็ได้แล้วแต่ที่เราจะศรัทธาเรามีความศรัทธาไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นอย่างพวก ชาวพุทธเราก็ศรัทธาไปวัดกันไปทาบุญที่วัดกันมีงานบุญอะไรเราก็ไปร่วมกันไปทากันอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจและสร้างพลังให้กับใจที่จะสามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปได้ก็คือการรักษาศีลถ้าเรามีความ มีนิสัยที่ชอบทําบุญแล้วเราก็จะไม่ชอบทําบาป อ, อย่างที่มีคําพูดว่าคนทําบุญนี้ทําบาปได้ยากคนที่ไม่ทําบุญนี้ทําบาปได้ง่ายถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่ดีเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ การรักษาศีลก็คือการละเว้นจากการทำบาปห้าประการด้วยกันคือ 1. การไม่ฆ่า 2. การไม่รักทรัพย์ 3. การไม่ประพฤติผิดประเวณี 4. การไม่พูดปด 5. การไม่ดื่มสุรายาเมานี่คือการกระทำที่ทำแล้วจะเกิดโทษให้กับตนเองและผู้อื่น ราทาให้ผู้กระทานั้นมีความทุกข์ตามมาทุกข์ที่ใจถ้าเราต้องการที่จะดูแลรักษาใจต้องการกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจต้องการทำให้ใจมีความสุขเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ต้องไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมา ถ้าเราทำได้ใจของเราก็จะมีความสุขใจของเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปทั้งห้าข้อนี้ก็จะไม่มีเมื่อเราสามารถรักษาศีลทั้งห้าข้อได้เราก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีลเพิ่มขึ้นอีกสามข้อได้ก็คือการรักษาศีลแปด อันนี้ก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราเรียนจบปหนึ่งได้เราก็จะขึ้นไปเรียนที่ชั้นปสองได้ชั้นปสได้ตามลำดับชั้นใดถ้าเราทำทานได้เราก็จะขึ้นสู่การรักษาศีลได้เรารักษาศีลหได้ต่อไปเราก็จะรักษาศีล8ได้ ศีลแปนี้มีความจำเป็นและมีความสำคัญกว่าศีลห้าเพราะศีลแปนี้จะเป็นตัวเชื่อมการปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปก็คือขั้นสมถขขั้นสมถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเรายัางรักษาศีลแปดไม่ได้เราจะไม่สามารถปฏิบัติสมถภาวนา วิปัสสนาภาวนาได้เราต้องรักษาศีลแปดในเบื้องต้นเราก็เริ่มลองรักษาอาทิตย์ละวันก่อนเช่นในวันพระวันพระนี้เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่จะไปวัดเพื่อไปรักษาศีลกันถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็รักษาศีลห้าไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็ รักษาศีลแปดต่อไปเอาอาทิตย์ละวันก่อนทดลองทำไปก่อนรักษาศีลแปดแล้วก็ภาวนาไปด้วยกันได้ถ้าเราอยากจะภาวนาเราต้องรักษาศีลแปดเพราะถ้าไม่มีศีลแปดนี้จะไม่มีกำลังเหมือนกับเวลาขับรถขึ้นเขานี้เราต้องใช้เกียร์ต่ำถึงจะขึ้นเขาได้ ถ้าใช้เกียร์สูงนี้จะขึ้นไม่ได้ฉันใดศีลห้าก็เป็นเหมือนเกียร์สูงถ้าขับรถบนที่ราบนี้ก็ใช้เกียร์สูงได้แต่เวลาจะขึ้นเขาที่สูงชันนี้จำเป็นจะต้องใช้เกียร์ต่ำถึงจะขึ้นได้ถึงจะมีกำลังที่จะปีนป่ายขึ้นไปได้ฉันใดถ้าเราต้องการที่จะเจริญส ม, มถาิภาวนาคือทาใจให้สงบ จเจริญสติอย่างต่อเนื่องเปกวิเวกเราจําเป็นจะต้องรักษาศีนแปดให้ได้เพราะการรักษาศีนแปดนี้จะปลดเปื้องให้เราหลุดจากพันธนาการต่างๆที่ผูกมัดเราไว้ให้ติดอยู่กับสิ่งที่ดูดเราไม่ให้เราออกไปสู่ความวิเวกสู่ความสงบได้นั่นเอง สิ่งที่ผูกเราไว้คืออะไรก็คือความสุขทางตาหูจมูกดื้นกายนี้เองเช่นสีลข้อสามนี้ก็คือความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นกับคู่รักคู่ครองของเรากับสามีกับภรรยาถ้าเรามีสามีมีภรรยาถ้าเราไม่ถือสินแปะนี้เราก็จะแยกออกจากกันไม่ได้ แต่พอถือศีลแปดแล้วก็ต่างคนก็ต้องต่างนอนกันคนละห้องนอนกันคนละเตียงหรือเป็นไปได้ก็คนหนึ่งนอนวัดอีกคนนึงนอนที่บ้านไปหรือไปที่วัดด้วยกันก็ได้แต่ไปนอนคนละที่กันไม่ร่วมหลับนอนด้วยกันนี่ก็คือหน้าที่ของศีลแปดที่จะมาตัดเครื่องพันธนาการ ที่ผูกใจให้ติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายนี่คือศีลข้อที่สามซึ่งปกติถ้าเป็นศีลห้าก็อนุ ญ, ญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าถือศีลแปดก็ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นจะละเว้นจากการหาความสุข จากการร่วมหลับนอนเราสินข้อที่หกก็คือให้ละเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานอาหารเกินขอบเขตมากเกินความจำเป็นเคยให้รับประทานพออยู่ได้ก็พอรับประทานมื้อสองมื้อนี้ก็อยู่ได้แล้วสำหรับร่างกายไม่จำเป็นจะต้องรับประทานสามสี่มือ้ออย่างที่รัก ที่รัประทานกันถ้าถือศีลห้าศีลห้านี้ไม่ห้ามไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้ไม่ห้ามให้กินอาหารก่อนนอนไม่ห้ามให้กินอาหารระหว่างตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาหิวก็เปิดตู้เย็นหาขนมนาเนยเคี้ยวสักสองสามคำก่อนจะกลับไปหลับไปนอนต่ออันนี้ถ้าถือศีลห้าก็ไม่มีห้าม แต่ถ้าถือศีลแปดก็ทำไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นการดึงใจให้ออกจากเครื่องพันธนาการก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านผ่านการรับประทานอาหารนี่คือศีลข้อที่หกศีลข้อที่เจ็ดก็คือไม่ให้หาความสุขจากการดูจากการฟัง มหัศลศพเครื่องบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยเสริมความงามของร่างกายด้วยการทำเเผ้าทำผมด้วยการทำหน้าแต่งหน้าแต่งตาด้วยกา ร, ส, รสวมใส่เสื้อผ้าอภรณ์ที่สวยงามวิจิตรพิสดารเพราะจะเป็นการเสียเวลาถ้ามัวยุ่งกับการ การทําเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมก็จำเป็นที่จะต้องละาการกระทําเหล่านี้ปิดปิดตาปิดหูไม่รับรู้เรื่องมหะรสพเรื่องบันเทิงต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งแบบง่ายๆเรียบง่าย อาบน้ําล้างหน้าล้างตาหวีผ้าหวีผมก็พอใส่เสื้อผ้าชุดขาวก็ได้ถ้ามีหรือใส่เสื้อผ้าแบบสบายสบายเสื้ อ, อคอกลมกระโปรงกางเกงงนี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปสวมใส่อะไรมากมายเพราะไม่ได้ไปไหนไม่ได้หาความสุขจากการเสริมสวยทางร่างกาย แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปให้หลับนอนพอ ก, กับความต้องการของร่างกายถ้าอยากจะให้หลับนอนพอ ก, กับความต้องการของร่างกายก็ต้องนอนบนพื้นแข็งอย่าบนอย่านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะเวลานอนบนฟูกหนาๆ ห, หลังจากที่ร่างกายได้พักแล้ว พอตื่นขึ้นมาจะไม่อยากลุกอยากจะนอนต่อเพราะว่ามันสบายทำให้เกิดความเกลียดคร้านไม่อยากจะลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ลุกขึ้นมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถ้ามีถ้านอนบนพื้นแข็งพอร่างกายได้พักพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมา แล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปได้นี่คือหน้าที่ของศีลแปบดบเพื่อสนับสนุนในการที่จะให้มีเวลาในการปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปจากขั้นของศีลก็คือขั้นภาวนา ขั้นภาวนานี้จะบำกำจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรได้อย่างสิ้นเชิงได้อย่างเต็มที่แต่มีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถาภาวนาขั้นนี้จะกำจัดได้ชั่วคราวความทุกข์จะหายไปหมดชั่วคราวขณะที่ใจเข้าสู่ความสงบแต่พอออกจากความสงบมา ความทุกข์ก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้ถ้าไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดื่มอยากรับประทานขึ้นมานี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาออกจากสมาธิมาอยากจะรับประทานอาหารอย่างนี้พอดีเป็นเวลาหลังเที่ยงวันไปแล้วเป็นเวลาเย็นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะรับประทานไม่ได้ ถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์อันนี้โดยที่ไม่ต้องขับเข้าไปในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เกิดจากความอยากนี่เใจเราเผลอสติไม่ควบคุมความคิดปล่อยให้ไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงอาหารที่มีอยู่ในตู้อย่างนี้พอคิดแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยาก ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าต้องไปเอามาต้องไปรับประทานถึงจะบำบัดความทุกข์นี้ได้ถ้ามีปัญญาเห็นความจริงอันนี้ก็แก้ด้วยการหยุดความอยากไม่ใช่แก้ด้วยการทำตามความอยากเพราะถ้าทำตามความอยากแล้วความอยากไม่ตายไปความอยากไม่หายไปเช่นพออยาก รับประทานก็ไปรับประทานพอัประทานสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาอีกอยากจะรับประทานอีกแต่ถ้าใช้ปัญญาสกัดว่าไม่ให้ทำตามความอยากต้องหยุดความอยากทุกครั้งที่อยากก็ต้องฝืนไม่ทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหมดไปเวลาอยากแลาไม่ได้ทำตามความอยาก ความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเช่นคนที่อยากจะสูบอยากจะเลิกสูบบุหรี่ทุกครั้งที่เกิดความอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบฝืนความอยากนั้นทุกครั้งที่อยากจะสูบก็ไม่สูบเดี๋ยวต่อไปความอยากนั้นมันก็จะอ่อนกําลังลงไปแล้วมันก็จะหมดไปได้นี่คือการใช้ปัญญากําจัด ความทุกข์อย่างถาวรด้วยการกําจัดความอยากเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองนี่แหละคือวิธีของการดูแลรักษาใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมาและได้ทรงประสบกับความสําเร็จสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้สามารถ สร้างความสุขที่ถาวรให้กับใจได้มีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตามมีร่างกายก็มีความสุขไม่มีร่างกายก็มีความสุขเพราะใจไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วนั่นเองใจใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือ คือใช้ทานใช้ศีลใช้ภาวนาเป็นเครื่องมือทาใจให้สงบทําใจให้ปราศจากความอยากพอไม่มีความอยากใจก็จะมีความสุขนี่แหละเป็นการดูแลรักษาใจที่ถูกต้องเพราะเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่ถาวร การดูแลรักษาร่างกายนี้เป็นการบำบัดทุกข์บำรงสุขชั่วคราวทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความทุกข์ของทางร่างกายหมดไปได้ทำอย่างไรก็ไม่สามารถรักษาความสุขทางร่างกายให้อยู่ไปได้ตลอดร่างกายมันก็จะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆหน้าในที่สุดมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วมันก็ต้องตายไปในที่สุดดังนั้นการไปบำบัดทุกข์บำรงสุขกับทางร่างกายมากเกินขอบเขตก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทำไปเท่าที่จาเป็นต้องทำดังนั้นก็พอก็คือให้มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้มีน้ำหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีเสื้อผ้าไว้ปกปิดอาไยว่ารักษาร่างกายให้ไม่ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนให้มียารักษาโรคไว้รักษาในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านนี้ก็พอแล้วทำอะไรมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขมากไปกว่านี้ กับจะทำให้เกิดในความทุกข์มากขึ้นไปกว่า น, นี้เพราะใจใจจะต้องวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาบำลงบาเลอให้ไปเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะก็จะไม่ได้ทําให้ร่างกายความสุขทางร่างกายมีมากขึ้นหรือความทุกข์ทางร่างกายมีน้อยลงไปความสุขทางร่างกายก็มีเท่าที่จะมีได้ ถ้ามีปัจจัยสี่ครบนี้ก็ถือว่าได้ความสุขทางร่างกายเต็มที่แล้วบําบัดความทุกข์ทางร่างกายได้เต็มที่แล้วทําได้เท่านี้ต่อให้มีเงินทองเป็น 100, 000, 000ร้อยล้านพันล้านก็ทําได้เท่านี้เหมือนกันไม่มีใครที่จะทําให้ร่างกายนี้มีความสุขมากไปกว่าดีได้ ขอทานกับมหาเศรษฐีจึงไม่ค่อยมีความแตกต่างกันในเรื่องของความสุขความทุกข์ของทางร่างกายขอทานกินอาหารข้างถนนก็อิ่มเหมือนกันมหาเศรษฐีกินอาหารในโรงแรมหรูหรามันก็อิ่มเหมือนกันได้ความสุขทางร่างกายเท่ากันเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมหาเศรษฐีกับขอทานก็ทุก เหมือนกันเจ็บเหมือนกันดังนั้นเรื่องของร่างกายนี้ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่อย่าไปหลงกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายให้เสียเวลาไปเปล่าๆยิ่งเฉพาะการหาความสุขตามความอยากเช่นอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อันนี้ไม่ได้เป็นการหาความสุข แต่เป็นการหาความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปเพราะจะทำให้ติดพอไปเที่ยวแล้วก็ติดอยากจะไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆและเวลาไม่มีเงินเที่ยวจะทำอย่างไรเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่หงุดหงิดลำคาญใจความหงุดหงิดลำคาญใจนี้ไม่ใช่เป็นความทุกข์หรือนั่นแหละแล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองอยากจะได้เร็วๆก็ อยาจะได้ง่ายๆก็ไปทําบาปกันเราไปทําบาปแล้วแทนที่จะได้ความสุขก็กลับได้ความทุกข์เพิ่มขึ้นมาทําใจนี่จึงไม่ใช่เป็นวิถีทางของการหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงทางร่างกายไม่มีมีแต่ความทุกข์ที่แท้จริงยิ่งหาเท่าไหร่ยิ่งได้รับความทุกข์มากขึ้นไปทางนั้นต้องหาความสุข ทางใจเท่านั้นถึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงและวิธีที่หาความสุขทางใจที่แท้จริงก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่เองไม่มีวิธีอื่นมีวิธีนี้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้พิสูจน์มาแล้วและได้รับรองเป็นเหมือนม า, มาตรฐานอุตสาหกรรม เหมือนกับสินค้าที่เราซื้อเรามักจะเห็นเขาติดป้ายว่าว่ารับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานใช้แล้วมีประสิทธิภาพตามที่ได้โฆษณาไว้ฉันใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้พวกเราปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นได้รับรองมาตรฐานมาแล้วทำแล้วจะรับรับรองได้ว่าจะได้รับผลดีเลิศอย่างแน่นอน จะได้รับความสุขที่สูงสุดที่น่างกายไม่สามารถที่จะมอบให้กับเราได้จะสามารถกําจัดความทุกข์ภายในใจให้หมดไปได้ถ้าความสุขถ้าความทุกข์ทางใจหมดไปความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะความทุกข์ของทางร่างกายเป็นเพียงเสี้ยวเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของทางใจ เช่นเดียวกับความสุขของทางใจกับความสุขของทางร่างกายก็เหมือนกันความสุขทางร่างกายนี้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของความสุขทางใจถ้าใจมีความสุขเต็มที่แล้วไม่มีความทุกข์หลงหนึ่อยู่แล้วความทุกข์ทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหาต่อใจความสุขของทางร่างกายก็จะไม่มีความหมายอะไรกับใจร่างกายจะสุขจะทุกข์ก็จะไม่เป็นปัญหาไม่ อะไรกับใจใจรับได้ทั้งสองแบบร่างกายจะสุขก็รับได้ร่างกายจะทุกข์ก็รับได้ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ถ้ามีทานมีศีลมีภาวนาดังนั้นขอให้พวกเราจงมุ่งมั่นเนือทุ่มเทชีวิตจิตใจความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่นี้ ให้กับการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าส่งสอนให้ปฏิบัติและที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาแล้วเช่นแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดหวังการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยาถาวาริวะหาปูราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิดป้เมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญนาระโสยท้ามณีโจติราโสยท้าสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารุโควินัสสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีธีขายุโกภวะอาภีวาธนสีลิสานิจังุทธาปจายโนจัตตารุธรมาวทานติอายุวันโนสุขังภลั ใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ค่ ะ, ะกับเ็นพาจารย์นะคะก็คือโส่วนตัวหนูเนี่ยก็เพิ่งจะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยการชักชวนของพี่ในหมู่บ้าน ทีนี้เวลาที่จะมาเนี่ยก็คือว่างก็จะมาทําบุญในช่วงของเช้ามาถวายอาหารแด่พระพิสุสงฆ์แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เข้ามาฟังทำบนเท้าแห่งนี้ก็อยากจะเรียนถามนะคะก็ตะกี้ก็ขับรถมาก็ถามกับทางพี่บอกว่าพี่คะเ อ, อเพราะว่าพี่ที่พาหนูมาเนี่ยพี่เขาปฏิบัติเยอะมากแล้วก็มาวัดบ่อยมากพี่เขาบอกว่าเขาทาแล้วเขามีความสุขหนูก็เลยถามเขาว่าพี่คะแล้วความสุขของพี่เนี่ย มันเป็นยังไงทำไมพี่ถึงมีความสุขที่เขาบอกว่าเขาได้เข้ามาที่วัดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการอะไรแล้วรู้สึกว่านี่คือความสุขของเขาจริงๆแต่ส่วนตัวของหนูเนี่ยหนูก็ถือว่ายังมีความรู้น้อยนิดแล้วก็ยังรู้สึกว่ามาวัดแล้วเรามีความสุขยังไงคะพี่มาฟังธรรมมาเจอพระท่านเทศให้ฟังเนี่ยหนูก็ยังรู้สึกว่าเฉยเฉยยังรู้สึกว่า มันมันสัมผัสได้ยังไงกับความสุขตรงนั้นนะคะซึ่งปกติถ้าอย่างสาวอาทิตย์เนี่ยเราก็จะดูนั่งฟังเพลงไม่ได้เข้ามาในขอส่วนของพุทธศสนาอยากจะรู้ว่าถ้ามาวัดบ่อยๆแล้วเราควรที่จะเริ่มปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เราได้ริสัมผัสหรือว่ารู้สึกถึงความสุขเหมือนที่พี่หลายๆคนที่เขาเข้ามาวัดกันประจำมาก็ทาตามที่เขาทำไงเขาก็มาแล้วเขาก็ทาบุญใส่บาตรรักษาศีล ฟังเทศฟังธรรมก็นั่งตั้งใจฟังในการกระทานี้มันไม่ใช่ทาเพียงครั้งสองครั้งมันจะเห็นผลชัดเจนมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นอต้องทาบ่อยๆทามากๆเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานเพียงคำสองคำมันยังไม่อิ่มอยากจะให้มันอิ่มนี้ก็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆ แล้เดี๋ยวมันก็จะถึงจุดอิ่มขึ้นมาเองถ้ายังไม่อิ่มก็ต้องรับประทานต่อไปฉันใดถ้าทาทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมฝึกนั่งสมาธิยังไม่ได้ผลก็แสดงว่ายังทาน้อยไปหรือทําไม่ถูกหลักก็ต้องฟังธรรมไปบ่อยๆแล้วก็ทาไปแล้วก็ปรับปรับดูการปฏิบัติของเรากับ วิธีปฏิบัติว่ามันสอดคล้องกันหรือไม่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเขาทำกันอย่างไรเราทำแบบนั้นหรือเปล่าถ้าทำไม่ถูกเราก็ต้องปรับวิธีของเราให้มันถูกแต่้อสาคัญก็คือต้องทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำไปจนกว่ามันจะเกิดผลขึ้นมาคนที่เขาเล่าให้เราฟังก็ไม่ได้เกิดผลขึ้นมา ท, ทันทีทันใด เขาก็ต้องมาวัดเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีด้วยกันแต่ในที่สุดเขาก็จะไปถึงจุดที่เขาเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความสุขของตนว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ต้องทําไปเรื่อยๆเท่านั้นถ้ายังไม่ทําถึงจุดก็ยังจะไม่เห็นผลถ้ารับประทานอาหารยังไม่ถึงจุดที่จะอิ่มมันก็ยังจะไม่รู้สึกอิ่ม อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การฟังการศึกษาเพราะว่าการฟังหนเดียวมันจะยังไม่เข้าใจได้ครบท่วนกระบวนการต้องฟังอยู่เรื่อยเพราะธรรมะนี้มีหลายาหลายขั้นหลายตอนมีหลายแง่หลายมุมการฟังธรรมเพียงครั้งเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะได้ทุกแง่ทุกมุมนอกจากเรามีปัญญาที่จะไปวิเคราะห์ได้เอง ฟังท่านมีปัญญาฟังเพียงคำสองคำก็บรรลุธรรมได้เลยนี่แสดงว่ามีปัญญามากสามารถวิเคราะห์สิ่งที่ได้ฟังให้เป็นไปในหลากหลายแง่หลายมุมได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาชี้แจงถ้าเรายังฟังแล้วยังไม่เข้าใจยังปฏิบัติไม่ถูกเราก็ต้องหมั่นฟังทาอยู่เรื่อย เราก็นำเอาไปปฏิบัติเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งก็จะต้องได้ผลอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของเราถ้าเรามีภูมิปัญญาสูงก็จะเข้าใจได้เร็วจะได้ผลเร็วถ้ามีภูมิปัญญาต่าก็ต้องใช้เวลานานหน่อยสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมี เวลาบรรลุธรรมไม่เหมือนกันบางคนบรรลุเพียงแต่ได้ฟังทำเพียงครั้งเดียวบางคนต้องปฏิบัติเป็นสิบสิบปีกว่าจะบรรลุธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราไปก็แล้วกันเหมือนกับปลูกต้นไม้เรามีหน้าที่พรวนดินมีหน้าที่ลดน้ำใส่ปุย๋ย กำจัดวัดชพืชมแมลงต่างๆเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปแล้วสักวันหนึ่งต้นไม้นั้นก็จะเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกออกผลให้เราได้ชมอย่างแน่นอนถ้าตอบได้เพียงเท่านี้ข้อต่อไปครับเออหลวพ่อครับ อาทิตยที่แล้วหลวงพ่อเทศเรื่องการละสักยาทิฐิในขันห้าของพระโสดาบันที่ที่ยึดว่าขันห้าเป็นเราแล้วก็มีเราในขันห้านี่แต่ว่ า, ามันเป็นการละความยึดในในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าก็ยังคือยังมีความพึงพอใจในในในรูปเวทนาสังขารวิญญาณอยู่เอ หรือเปล่าครับหลวงพ่อยังมีความยินดีในความสวยงามของร่างกายอยู่เพราะยังไม่ได้พิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายยังเห็นร่างกายเวลาที่เห็นส่วนที่สวยงาม mm. ก็อยาเกิดตัณหาความอยาก mm. คือการอารมณ์ขึ้นมาได้อยู่พระสวัสดบิบาลเบื้องต้นนี้ท่านพิจารณาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย เป็นหลักคือพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันประกอบขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมีขบวนการของมันมีเกิดมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเสื่อมมีการชรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีการตายการแยกสลายของธาตุทั้งสี่ ้าเห็นว่าเป็นขบวนการของธาตุสีก็จะสามารถปล่อยวางความหลงที่ไปยึดไปติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราเป็นเพียงผู้ม า, มาครอบครองร่างกายในขณะที่มีการก่อตัวขึ้นมาในขันนี้เองเราเป็นดวงใจดวงวิญญาณที่ตายมาจากชาติก่อนที่ได้ไปใช้บุญใช้กรรมมาแล้ว มาถึงวาระที่พร้อมที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาที่โรงงานผลิตมนุษย์มาตามท้องใครตั้งท้องอยู่ก็เข้าไปครอบครองเหมือนกับเราจองรถยนต์เวลาเราอยากจะซื้อรถยนต์แล้วก็ยังไม่ได้ผลิตเราก็ไปซื้อใบจองไว้ก่อนแล้วเราก็ไปรอที่โรงงานพอเขาผลิตเสร็จออกมาจากโรงงานเราก็ขับรถออกมาได้เลย ร่างกายพอคลอดออกมาเราก็ขับร่างกายนี้แหละเราเป็นคนขี่ร่างกายนี้เหมือนคนขี่ม้าร่างกายนี้เป็นเหมือนม้าแต่ไม่มีใครบอกว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเพราะทุกคนคิดว่าเป็นคนเดียวกันเป็นส่วนเดียวกันคิดว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็ทุกไปกับร่างกายร่างกายเจ็บ ใจก็เจ็บด้วยร่างกายแก่ใจก็เจ็บด้วยร่างกายตายใจก็เจ็บเพราะหลวงคิดว่าตัวเองจะเจ็บจะแก่จะตายกับร่างกายอันนี้ถ้าพิจารณาแยกแยะออกแล้วเห็นครับเห็นว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราก็จะปล่อยได้เหมือนกับเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นนคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาตายเราเดือดร้อนไหย เราเห็นชัดๆว่าเขากับเราเป็นคนละคนกันแต่เราไม่เห็นว่าร่างกายของเราเป็นคนละคนกับเราเพราะเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราความจริงร่างกายเป็นเพียงหุ่นที่เราใช้ในการรับข้อมูลต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านั้นเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสาสิบสองประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปให้รู้ความจริงอันนี้แล้วยอมรับความจริงอันนี้อย่าไปฝืนความจริงใจก็จะไม่ทุกข์แล้วเท่านั้นเองให้รู้ความจริงแล้วก็ยืนมนอความจริง รับความจริงอย่าฝืนความจริงร่างกายจะแก่ก็ต้องยอมรับว่าต้องแก่ร่างกายเจ็บก็ต้องยอมรับว่ามันเจ็บร่างกายตายก็ต้องยอมรับว่ามันตายแล้วใจจะไม่ทุกข์ที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายเพราะโสดาบันไม่สามารถยับยั้งความแก่เจ็บตายของร่างกายได้ มือนกับปุถุชนอย่างพวกเราก็ไม่สามารถยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้แต่พระโสดาบันยับยั้งความทุกข์ไดย้ยับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่พวกเรายับยั้งไม่ได้พอแก่นี้ก็ทุกข์กันแล้ว嘛หาสัญญกรรมกันวุ่นไปหมดหายายอมผมหาอะไรกันวุ่นไปหมดเพื่อปกปิดความแก่ เวลาล่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นยังไงสุขหรือทุกข์กันพอป่วยแล้วก็ไปเที่ยวไม่ได้แนละ้วจะกินจะดื่มจะดูจะฟังอะไรมันทําไม่ได้ทําก็แบบไม่มีรสมีชาติไม่มีความสุขนะแล้วยิ่งพอรู้ว่าจะต้องตายนี้เป็นยังไงทุกข์ทรมานสุดทรมานเลยไปดูคนที่ถูกเขาตัดสินโทษประหารดูดูว่าเป็นยังไงบางทีเดินไม่ไหวเลย เวลาที่เขาจับไปประหานี่ไม่มีแลงไม่มีเรี้ยวมีแรงที่จะเดินใจหมดกำลังแต่ถ้าเป็นพระโสดาบัานแล้วจะรู้สึกเฉยๆเพราะท่านพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอย่างช่ำชองจนกระทั่งมันมันเหมือนกับว่าเหมือนกับซ้อมลบอะเตรียมรับกับฆ่าศึกศัตรู เวลาเกิดข้าศึกษัตรูมานี่จะรู้จักวิธีต่อสู้รับกับข้าศึกศัตรูเตรียมรับความแก่เตรียมรับความเจ็บเตรียมรับความตายได้ซ้อมไว้อย่างดีพอเจอของจริงก็เฉยๆส่วนใหญ่ท่านจะไปเจอของจริงก่อนท่านมักจะไปหาสิ่งที่สถานที่หรือเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายแล้วท่านก็จะได้พิสูจน์ว่า ใจของท่านทุกข์กับร่างกายหรือไม่นี่คือเรื่องของสักกายทิฏฐิท่านพิจารณาแต่ส่วนนี้แต่ท่านไม่ได้พิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายยังไม่ได้มองเข้าไปใต้ผิวหนังยังไม่ได้สแกนแบบใช้เอ็กซเรย์สแกนเห็นกระดูกเห็นตับไตเห็นอวัยวะต่างๆ เลือกพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยที่สกปรกของร่างกายสิ่งที่ขับถ่ายออกมาถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วต่อให้รูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนมันก็ไม่ทำให้เกิดการอารมได้พอไปคิดถึงอุจจรปัสวะของเขามันก็มันก็ถอยแล้วการอารมณ์ต่างๆเพียงแต่ว่าจะคิดได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเผลอจะไม่ชอบคิดอยู่แล้ว ถึงต้องบังคับถึงจะพิจารณาต้องบังคับให้มองส่วนที่ไม่สวยมองส่วนที่สกรปรกของร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะใจถูกบิเลนี่บังคับให้มองแต่ส่วนที่สวยที่งามเพียงอย่างเดียวจึงไม่แ ล, ไแล้ไม่แล้ก็ไม่ไม่ชอบมองในส่วนที่ไม่สวยไม่งาม หรือแม้เป็นนักศึกษาแพทย์ได้ผ่าศพได้เห็นอวัยวะต่างๆก็ยังไป ม, มีสามีมีภรรยากันได้อยู่เพราะเห็นแต่ตอนที่ผ่าเท่านั้นพอออกจากห้องผ่ามาแล้วก็โยนทิ้งเลยไม่ยอมคิดถึงมันเลยนี่คืออำนาจของตันหาความอยากมันจะบกปิดไม่ให้เราเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเราจึงต้องบังคับเนีย ต้องบังคับให้พิจารณาอย่างต่อเนื่องจนเห็นตลอดเวลาเวลาเห็นร่างกายของคนนี้เห็นทั้งทั้งนอกเห็นทั้งข้างในเห็นทั้งส่วนที่สวยที่งามเห็นทั้งส่วนที่ไม่สวยไม่งามเห็นทั้งส่วนที่โสโครกอันนี้ถึงจะสามารถทำลายตันหาความอยากในร่างกายได้อันนี้ก็เป็นขั้นของที่สะขั้นที่สองอะขั้นที่สาม ถ้าทำลายได้เพียงครึ่งหนึ่งทําให้เบาบางลงไปก็ได้ขั้นที่สองถ้าทําลายได้เต็มหมดทําลายตันหาความอยากได้หมดด้วยอำนาจของอสุภะเห็นอสุภะตลอดเวลาก็จะไม่มีช่องไม่มีรูให้ความอยากโผล่ขึ้นมาได้ก็จะบรรลุขั้นที่สามเราบรรลุขั้นที่สามแล้วเรื่องของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจดวงนั้นอีกต่อไป ใจดวงนั้นจะไม่มีความผูกพันต่อร่างกายอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายหรือความสวยความงามนี้จะไม่มีปัญหากับใจดวงนั้นอีกต่อไปท่านถึงถ้าตายไปยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอแน้วท่านก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปอ่ามีปัญหาใครอยากะถามอีก ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติีิชาโตนะครับข้อที่หนึ่งจากคุณเบนซ่านะครับถ้าเราอยากบวชครั้งที่สองในปัรษานี้แต่พ่อแม่แม่อนุญาตเพราะเป็นห่วงกลัวไม่มีใครดูแลเวลาป่วยไข้หรือยามท้องเสียซึ่งผมแต่งงานแล้วภรรยาก็อนุญาตที่ทำงานก็ไม่ขัดข้อง ถ้หนีพ่อแม่มาบวชในพรรษาจะบาปมากไหมบวชมันจะบาปตรงไหนล่ะบวชมีแต่ดีอย่างนั้นมีบวชก็บอกเป็นบุญมันจะบาปตรงไหนถ้าตายไปนี่จะบาปหรือเปล่าตายไปก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่เหมือนกันะไปบวชมันก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่เหมือนกันมันต่างกันตรงไหนข้อที่สองนะครับ ผมมองสถานที่บวชเพื่อปฏิบัติธรรมไว้สามแห่งหนึ่งวัดยานสองวัดแสงธรรมวังน้ำเขียว 3. วัดสวนป่าบุญริษณวางน้ำเขียวผมหนักใจมากแต่น้องสาวกับแฟนอยากให้มาที่วัดยานเพราะใกล้โรงพยาบาลยามเจ็บป่วยและใกล้ชิดพระอาจารย์เพื่อขออุบายธรรมแต่ยังกังวลเรื่องธรรมเนียมผู้อยู่ก่อน ถ้าไปบวชอยู่ที่อื่นที่ไกลจากบ้านได้จะดีกว่าถ้าอยู่ใกล้บ้านแล้วเดี๋ยวบ้านจะตามมา <c oughs> บวชแล้วต้องหายล่องหนไปเลยได้ยิ่งดีจะได้ไม่มีใครไปติดตามเไ <c oughs> ม่งั้นเดี๋ยวก็เอาเรื่องทางบ้านมาเล่าให้ฟังพอเล่าแล้วเดี๋ยวก็เกิดความกังวลเกิดอารมณ์ต่างๆทําให้ไม่สามารถที่จะบําเพ็ญได้พอมาเล่าว่าพ่อแม่ร้องไห้แค่นี้ก็ ใจก็วิวแล้วดงั้นทางที่ดีถ้าจะบวชแล้วก็ต้องตัดให้มันเด็ดขาดไปเลยถือว่าตายจากกันไปเลยอย่าไปเจอกันได้ยิ่งดีข้อต่อไปจะคุณชัยเลิศนะครับข้อที่หนึ่งหากต้องการจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมบนเขาจะได้หรือเปล่าคือที่พักปฏิบัติธรรมบนเขานี่เป็นที่พักของพระโดยหลัก แล้วเราก็มีมีแค่กับทางเดินจงกรมที่บางทีก็ว่างบางทีก็ไม่ว่างถ้าว่างถ้าอยากจะมาปฏิบัติก็ก็ปฏิบัติได้แต่ต้องมาคนเดียวแล้วก็ต้องเอาสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยมาเอ ง, องเช่นมุ้งที่นุง้งที่นอนอะไรต่างๆเพราะให้ถือว่าเป็นเหมือนกับไปทุ่ดงในป่าจะไม่มีการมาต้อนรับ เตรียมมุงเตรียมหมอนเตรียมเสือ่อเตียมอะไรให้แล้วก็ต้องมาพบกับพระตอนประมาณบ่ายสี่โมงถามพระท่านดูว่ามีที่ว่างหรือไม่ว่างแล้วต้องมาคนเดียวเพราะถ้ามาหลายคนหนึ่งที่จะไม่พอสองจะเกาะกลุ่มกันเวลาภาวนาไม่ได้เบื่อก็จะมาหากันมาคุยกันงั้นถ้าจะมาต้องมาคนเดียว ข้อที่สองนะครับหากต้องการบวชเพื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆจะอนุญาตให้อยู่บนเขาหรือเปล่าเพราะถ้าต้องอยู่ที่วัดยานด้านล่างคนพุกพ่านมากหาความสงบได้ยากธรรมเนียมของวัดนี้เป็นอย่างนี้ก็ถ้าจะบวชวัดนี้ก็ต้องอยู่ศึกษาที่ข้างล่างก่อนอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งพรรษาเพราะว่าเขามีหลักสูตรนักทมตรีซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นจะต้องเรียนรู้ นักธรรมปรีนี้จะสอนเรื่องพระวินัยสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสอนพุทธประวัติสอนหลักธรรมคำสอนหลักต่างๆของพระพุทธเจ้าก่อนการการบวชโดยที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยนี่มันก็จะเป็นโทษได้เพราะจะหลงทางได้นอกจากไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณธรรมเช่นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเนี่ ถ้าไปอยู่กับท่านก็ถือว่าเรียนจากท่านโดยตรงก็ไม่ต้องเรียนตามตำลาก็ได้ที่นี่ทางวัดเขาไม่มีอาจารย์เป็นหลักเรามันเป็นเพียงอุปโลกเราทาแบบออขอทางข้างถนนไม่ได้ทาเป็นแบบ อ, อ, อาจารย์เป็นทางการที่สอนก็เพราะมีคนมาหาอต่โดยฐานะเราก็ไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของวัดนี้ ให้คุณให้โทษกับผู้ที่มาศึกษาไม่ได้ก็เลยต้องมีการเรียนตามหลักสูตรของเขาก็คือเรียนนักธรรมตรีเรียนแล้วก็มีการไปสอบไปอะไรอันนี้เป็นกฎของของทางวัดพระบุตรใหม่ในภรษาแรกจำเป็นจะต้องอยู่จำภรษาอยู่ข้างล่างแล้วก็เรียนหนังสือ อออกพรรษาแล้วถ้าอยากจะขึ้นมาก็ให้ขึ้นมาดูสถานที่ก่อนดูวิธีการอยู่การปฏิบัติของพระข้างบนนี้ก่อนแล้วก็ดูว่าจะปฏิบัติตามได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้มีที่ว่างก็อยู่ได้นี่คือขั้นตอนของการที่จะขึ้นมาอยู่ปฏิบัติทาบนเขานี้ถ้าบวชเป็นพระ คำถามข้อต่อไปจากคุณยูแคลลุกบัตด t นทัสนะครับเป็นคำถามผสมเรื่องเล่าเป็นคนตั้งใจรักษาศีลห้ามาโดยตลอดนานแล้วคอยระแวดระวังไม่ให้ขาดจากการสำรวมผิดไปจากศีลห้าเลยแล้วภาวนาดูลมหายใจพุโทโธอยู่เนือ ง, องบ่อยๆก่อนจะนอนหลับไปหรือเวลานึกขึ้นมาได้ภายในวันหนึ่งวันหนึ่ง แต่พอภาวนาบ่อยๆเข้าหนักๆเข้าก็จะเกิดความอยากขึ้นมาบ่อยๆครั้งอยากที่ชื่นชอบการภาวนาและมีอาการอยากใหญ่ๆคืออยากภาวนาพุทโธพอได้ดูลมผสมกับภาวนาพุทโธผลคือมีความสุขชอบความสุขชนิดนี้ถ้ามีเวลาถือศีลแปดนานๆจิตก็อาจรวมลงได้แต่ถ้าถือศีลห้าก็เหมือนขึ้น บันไดลงบันไดยอยู่อย่างนี้แค่สุกเฉยๆบางทีก็นิ่งเฉยๆแต่จะรวมลงนานๆไม่ได้เลยขึ้นบันไดลงบันไดยอยู่อย่างนี้และอยากรู้ว่าความอยากใหญ่ที่เหมือนอาการติดดูลมหายใจนี้ดีไหมดีไหมในขั้นทำสมาธินี้มีอาการอยากบ่อยๆต่อไปจะติดลมจะไปนิพพานได้ไหมครับพระอาจารย์ช่วยแนะนาเคล็ดลับ ให้รวมลงนานๆหน่อยแล้วมีถามมามีอาการอย่างนี้ปฏิบัติมาถูกต้องตามทางหรือไม่ถ้าอยากจะให้รวมลงนั้นรวมนานๆก็ต้องปีกเวกอยู่คนเดียวต้องออกบวชแล้วไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆใจก็จะมีเวลาที่จะ เข้าสู่ความสงบได้นานมีเวลาที่จ ะ, จะเจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆก็อย่างที่พูดที่ที่พูดไว้ก็อย่างน้อยก็ต้องมีสีลแปดขึ้นไปเพื่อจะได้ตัดเครื่องพันธนาการที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นลดเพื่อจะเพื่อที่จะได้ไปปีกวิเวกอยู่ในปา่าอยู่ในเขาได้พออยู่ในที่สงบสงัดไม่มี ของมากวนใจมาล่อใจการนั่งสมาธิถ้าสงบถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องก็จะรวมและนิ่งอยู่ได้นานถ้ายังต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วรักษาศีลแปดไม่ได้นี้ก็คงจะทำไม่ได้มากพระอาจารย์ครับมีคำอยู่คำหนึ่งครับที่ว่าผู้ รู้ธรรมะชอบเอาชนะผู้อื่นผู้มีธรรมะชอบเอาชนะตนเองขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายครับคือผู้ที่เรียนธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็คิดว่าตนเองมีความรู้เวลาคุยกับใครก็มักจะ อ, อยากจะเอาถ้าเขามีความเห็นที่ไม่ตรงกับเราเราก็อยากจะให้เขามีความเห็นตรงกับเรา อยากจะชนะเขาแต่ผู้ที่มีธรรมก็คือผู้ที่มีความสงบก็จะไม่มีความอยากใครจะเห็นเหมือนเราหรือไม่เห็นเหมือนเราใครก็จะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราเราก็จะเฉยเฉยผู้มีธรรมนี้จะมีอุเบกขามีใจเป็นกลางไม่มีตัณหาความอยาก ผู้ที่เรียนรู้เฉยๆไม่ได้ปฏิบัติยังไม่มีธรรมภายในใจนี้ยังมีตัณหาความอยากอยากให้เขาเห็นตามเราเชื่อตามเราอยู่ก็เลยอยากจะชนะเขาคุยกับเขาถ้าเขาไม่เชื่อเราก็ต้องพยายามบังคับให้เขาให้เชื่อเราให้ได้ให้เห็นตามเราให้ได้นี่คือความแตกตา่างของคนที่มีธรรมข้างนอกกับธรรมข้างใน ทำข้างนอกก็คือทมที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านมาแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติส่วนทำข้างในก็คือได้ปฏิบัติแล้วได้ทำข้างในแล้วก็คือความสงบได้อุเบกขาแล้วอุเบกขานี้ทำให้ใจอิ่มใจอิ่มแล้วใจก็ไม่สนใจแล้วใครจะยังไงใครก็จะเชื่อไม่เชื่อใครก็จะเห็นแบบเดียวกับเราเห็นไม่เห็นก็เราก็เฉยๆถือว่าเป็นเรื่องของเขา เพราะถ้าไปอยากว่ามันจะทำลายความสงบนี้ทันทีจะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีนั้นคนที่มีธรรมแล้วจะเฉยๆพูดได้คุยได้แต่จะไม่เอาแพ้เอาชนะใครแต่คนที่ยังไม่มีธรรมนี้ในใจจะมีแต่ตันหาความอยากอยากให้เขาเห็นเหมือนเราคิดเหมือนเราเชื่อเหมือนเราทำเหมือนเราพอเขาไม่เห็นด้วยก็โกรธหรือเสียใจ นี่คือความแตกต่างเราระหว่างมีทรรมภายนอกกับทำภายในพวกเราส่วนใหญ่นี่ก็จะมีทรรมภายนอกกันตอนนี้เรามาได้ยินได้ฟังทากันแล้วถ้าเราไปคุยกันเดี๋ยวก็กลายเป็นเวทีวาทะได้โตวาทีกันได้แต่ถ้าเราไปปฏิบัติแล้วเราได้มีความสุขภายในใจมีความสงบภายในใจแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะคุยกันทไมเพราะว่า คุยไปก็เราก็ไม่ได้ความสุขมากไปกว่านี้ถ้าจะคุยก็เพื่อสงเคราะห์เขาเท่านั้นเองถ้าเขามาหามาขอความปรึกษาเรามีอะไรพอที่จะช่วยเขาได้เราก็พูดไปแต่โดยหลักแล้วคนที่มีธรรมแล้วจะไม่กระเสือกกระสนกระตือรือล้นที่อยากจะไปสอนใครถ้ายังมีความกระเสือกกระสนกระตือรือล้นอยากจะสอนนี่ก็แสดงว่ายังไม่มีธรรม คนที่มีธรรมจริงๆแล้วจะไม่อยากจะสอนใครเพราะพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆนะบอกว่าไม่อยากจะสอนใครสอนแล้วเหนื่อยเห็นคนแต่ละคนนี่จริงๆท่านท่านท้อท่านจนกระทั่งท้ามหาพรหมต้องมาขอราธนาว่าโปรดเมตตาสัตว์โลกด้วยเถิดเพราะสัตว์โลกก็มีหลายชนิดด้วยกันเหมือนบัวสี่เหล่าไอ้พวกที่มันดื้อมันด้านก็มี ไอ้พวกที่เชื่อฟังก็มีขอให้ท่านได้ปวดสอนพวกคนที่เชื่อฟังก็แล้วกันไอ้พวกที่มันมันไม่เชื่อไม่ฟังก็อยากไปสนใจมันก็แล้วกันตอนหลังพุทธเจ้าก็เลยเ อ, าอย้าองนั้นก็สอนคนที่เชื่อก่อนช่วงแรกๆนี้ท่านมุ่งไปหาพระที่ปฏิบัติมีศีลมีสมาธิแล้วพวกนี้เขารอปัญญาของพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวพอแสดงปั๊บนี่เขาก็บรรลุกันเป็น เป็นฝูงเป็นพวงไปเลยนี่แหละคือคนที่มีธรรมแล้วจะเป็นอย่างนั้นอยากสอนแต่ไม่ได้อยากสอนแบบไม่มีเหตุมีผลไม่ได้อยากสอนแบบความอยากแต่สอนเพราะเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้ที่รับการสอนแต่ก็ต้องดูว่าผู้รับนี้มีภาชนะมาลองรับหรือเปล่าเช่นคุณมี มีอาหารอร่อยแต่คนมารับไม่มีจานมาเนี่ยคนจะตักอะไรใส่มือเข้าเหรอเนีตักใส่มือก็ได้นิดเดียวอก็เลยให้ไม่ได้เขาต้องมีภาชนะภาชนะที่จะลองรับธรรมของพุทธเจ้าก็คือทานศีลสมาธิถึงจะรับปัญญาได้ถ้ายังเมาเหล้ากินเหล้าเมายาอย่างเที่ยวเตะเออยัง ยังยังไม่ทําบุญทําทานเอาเงินนี้ไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอย่างคนสมัยเนี่ยที่กําลางบ้าวัตถุนิยมกันซื้อรถคันละสิบล้านยี่สิบล้านซื้อคอนโดลหลังละร้อยล้านเนี่ยซื้อไปทําไมมันได้อะไรคนพวกนี้ไปสอนก็เสียเวลาเปล่าเปล่าหรือคนที่บ้าอํานาจแก่งแย่งเก้าอี้กันเนี่ยลองไปเทศที่สภาดูาจะมีใครฟังไหย มันก็ต้องดูคนจะสอนใครก็ต้องดูว่าคนที่เขาที่เราจะไปสอนนี้เขาจะรับคำสอนเราได้หรือไม่หรือแม่แต่แม่กับลูกก็เหมือนกันก็ต้องดูว่าลูกรับคำสอนของแม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่จะไปยัดให้เขาอย่างเดียวยัดไม่ได้ก็เหมือนเอารองเท้าที่มันเล็กไปใส่รองเท้าเขามันใส่ไม่เข้าอะ่ะแล้วเดี๋ยวก็คนใส่ก็ทุกข์ไปเปล่าๆต้องรู้ขนาดของ ความสามารถของผู้รับว่าเขารับความรู้ได้มากน้อยเพียงไรเราก็ต้องป้อนไปตามฐานะของเขาไม่งั้นเราก็จะเหนื่อยคนที่ถูกเราสอนก็จะเหนื่อยท่างคนต่างเครียดกันอย่างมาที่นี่ไม่เครียดใช่ไหมก็พูดก่อนพูดก็พูดไปคนฟังก็ฟังไปจะเครียดก็ตอนที่พูดเราไม่ฟังพูดแล้วขยับนู่นขยับนี่ กุ๊กกิ๊กก๊ ก, กักอะไรอยู่ไ ม, มันก็เลยทําให้เสียสมาธิเสียกําลังใจเพราะว่าเหมือนกับพูดกับฟ้าผนังพระอาจารย์ครับเนื่องจากวันนี้มีอพระพิสูจ์ผู้บวชใหม่ครับพระอาจารย์มีแนวทางหลักในการปฏิบัติที่หลักๆไหมครับพระอาจารย์หลักของผู้บวชใหม่ก็คือปริยัติปฏิวัติปฏิเวชนี่แหละครับ รอนต้นก็ต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนพระพุทธเจ้าชัา้นกำหนดไว้เลยว่าต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพันษาห้ามอยู่ปัศจากครูบาอาจารย์สมัยนี้บางทีบวชออกจากโบสถ์ก็ไปตั้งสำนักเลย<ม>เพราะตนคิดว่าบรรลุแล้ว<ม>ไปเป็นอาจารย์เลยไปสอนผู้อื่นต่อเลย<ม>อันนี้ไม่ใช่แนวทางที่พระเจ้าทรงทร ง, ทรงนาเดินมาต้องศึกษาก่อน ถึงแม้ว่าจะบรรลุแล้วก็ตามถ้าบรรลุแล้วก็จะไม่มีความอยากจะสอนใครไม่อยากจะไปเป็นเจ้าสานักหรอกอยู่เป็นเป็นเป็นลูกสานักสบายกว่าไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้เจ้าสานักเขารับแขกรับคนให้เขาต้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเป็นหางเครื่องนี้สบายทำ ต, ตามหน้าที่ทั้งเองถึงเวลาก็บินทบาทถึงเวลาก็ปัด ก, กวาถึงเวลาก็ฉันนี่สบายจะตาย ถ้าเป็นหัวหน้านี้ต้องมาเครียดกับการรับแขกรับญาติโยมต้องมาเครียดกับการดูแลสร้างกุฏิวิหารโบสถ์อะไรต่างๆเะฉั้นถ้าคนมีคุณธรรมบรรลุจริงๆแล้วจะไม่ไปตั้งสำนักคนที่ไปตั้งสำนักในขณะที่เพิ่งบวชใหม่นี้แสดงว่าร้อนวิชาหรือร้อนร้อนเขาเรียกอ่ะร้อนตำแหน่งอยากเป็นใหญ่ เป็นเจ้าสํานักนี่มันมันดีกว่าเป็นหางเครื่องในสายตาของคนที่มีกิเลสแต่ในสายตาของคนที่มีธรรมนี่เป็นหางเครื่องสบายกว่าเป็นเจ้าสํานักดันั้นมันมองออกแต่ญาติโยมมองไม่ออกคิดว่าเขาเก่งโอ้โหบวชปั๊บก็เป็นเจ้าสํานักได้เลยบวชปั๊บก็ไปทุดงในป่าสองสามปีออกมาก็มีอภินิหารมีอะไรมาเล่าให้ฟัง มีเลขมีเบอร์มาบอกโอ้ยทีนี้ก็เลยล่ำาลือกันไปใหญ่เลยแล้วเป็นไงพอล่ำรวยแล้วก็เอาเงินไปถลุงแบบตามอำนาจของกิเลสตันหาใช้เงินแบบคารวะญาติโ ย, ยมนี่แหละมันก็เกิดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วในเมืองไทยเนี่ยคนไทยก็ลืมง่ายเหลือเกินพอเดี๋ยวมีองค์ใหม่โผล่ขึ้นมาก็เหอกันอีกแล้ว นะถ้าอยากจะเป็นพระตามหลักธรรมวินยัยก็ต้องอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาแล้วอาจจะต้องอยู่มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ว่าเห็นว่าโตรหรือยังพร้อมที่จะออกไปปีกวิเวกได้หรือยังได้ยังเห็นว่ายังไม่ได้หลักไม่ได้เกณฑ์ท่านก็จะแมอนุ ญ, ญาตให้ไป แล้วข้อที่คุณหลีกนะครับพระอาจารย์คุณหลีกหนีให้ห่างคืคออะไรครับอาจารย์ควรสิ่งที่ควรจะหลีกก็หนีพวกรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะอะไรต่างๆหรือถ้าบวชใหม่ก็อย่าไปอยู่วัดที่มีกิจกรรมนอกทางละที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติกับการศึกษาเช่นการกอร่อสร้างโบสถ์วิหารเจดีการสมโพธ์การมีงานฉลองอะไรต่างๆเหล่านี้ หรือวัดที่มีกิจนิมนต์มีงานสวดมีงานศพอะไรอย่างนี้ะถ้าไปอยู่ก็ต้องไปทำกับเขาต้องร่วมกับเขาถ้าไม่ทำเดี๋ยวก็กลายเป็นแตะดำไปถ้าบวชแล้วต้องการที่จะเจะเริญทางธรรมก็ต้องบวชกับวัดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติซึ่งในสมัยนี้ก็ที่รู้กันก็คือวัดสายวัดป่านี่เอง หลวดแล้วก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางสายวัดป่าท่านก็จะมีการสอนแล้วก็มีการปฏิบัติควบคู่กันไปจะไม่มีภารกิจภายนอกถ้ามีก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเท่าที่จำเป็นแต่ถ้าจะไปอยู่ที่วัดที่มีการก่อสร้างใหญ่โตมีทาวรและวัตถุมากมีกิจกรรมต่างๆมากไม่ควรไป เพราะจะไม่ได้ศึกษาจะไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลแล้วปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งศรัท ธ, ธาก็จะอ่อนลงแล้วกิเลสตัณหาก็จะมาลุมเล้าจิตใจแล้วในที่สุดก็อาจจะต้องศิกขาลาเพศไป ถ้าไม่มีคำถามก็วันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ